من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه نتوقدون فإذا أنتم منه نتوقدون الذي خلق ا ل س م ا ِ والأرض بقادر على أن يخلق م ْ لهم َ ل ا وهو الخلاق العلي بسم الله الذي م ل ك ت كل شيء وإليه ت ر ج ع و فسبحان الذي م ل ك ت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ال الله فلا مضل له وما يضلل فلا هليل له وشر ولا ل إلا الله و لا ه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 วาจินะอารชีฮิวมิดาเดกัลิมานียา حي ยา قيوم ยา قي ธุอัลลิฮ์ลิฉะนี كل าห์วูลาดะกลิีอีลานัฟซี طرف ะไกนิน حسب ียาลลอฮฺ حسب ียลลอฮฺ حسب ี ه าลลอฮฺวนิยามล้วติล ﷺ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ รวมนมาศุบง์ที่มัสยิดอันวาลิซูนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตั้งสี่อัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานะครับที่อัลลอฮฺให้เรานี่มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้อัลฮัมดุลิลละแล้วก็ให้เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺอันนี้ยิ่งใหญ่มากครับ ล้วก็ขออนุญาให้เราตายอยู่ในศาสนาของอัลลอ์ให้เราสแสวงหาอิมานมากกว่าสแสวงหาเงินสแสวงหาอิมานแสวงหาตั ก, กวานะครับสแสวงหาเรื่องรุกคนอิสลามรุกโคนอีมานเนี่ยให้มากกว่าสแสวงหาปัจจัยดุนยานะครับขอบคุณอัลลอ์สุพานหัวตาลานะครับที่เรา ชกโชดอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุรยาซีนนะครับหอายาสุดท้ายอัลลอฮุอะบับนะครับหอายาสุดท้ายก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่ยังไม่ตายอย่างนี้ น, นแล้วพี่น้องครับหอายาสุดท้ายนี่ตั้งแต่อายาที่ห7เจดเอาอายา 77ก่อนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเราอ่านเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้เรื่องอัศบันดนูซูลสาเหตุที่เอาลอลงคุณอานเนี่ย 6-7 อายาสุดท้ายเนี่ยลงมาเรื่องเรื่องอะไรคือคุณอ่านเนี่ยมีอัสบาบเพราะมีสาเหตุของการลงคุณอ่านทั้งหมดนั่นแหละนะครับสาเหตุก็เป็นอย่างนี้มีอยู่ในตับซีดนะครับ ท่านบุจาฮิทท่านอัครีมะท่านออรวะท่านกอตาดามีความเห็นตรงกันหมดนะครับบอกว่ามีชายคนหนึ่งในคนอาหรับใน น, นนะครมักการนั่นแหละที่เป็นศัตรูกับอ AH นะัลลอ์น่ะที่ไม่เชื่ออัลลอ์แล้วก็ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดว่าเป็นนบีของอัลลอ์แล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะ แล้วก็ไม่เชื่อว่ากูรานี่มาจากอัลลอ์อีกหนึ่งหรืสองคนอาจจะเป็นอุบัยยิบนี่คอลัฟหรือท่านอาสบินาัาอินนี่ก็เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ทั้งสองคนนี่แหละมีวันหนึ่งเนี่ยสองคนอาจจะเป็นคนหนึ่งคนใดก็ไดน้นมาหาท่านนาบีแล้วก็มาพูดบอกว่ามุฮัมมัด ที่อยู่ในมือฉันเนี่ยเป็นกระดูกนะกระดูกที่ป่นแล้ว<อ>ดีนะ่ะนะเอากระดูกที่ปนแล้วมาอยู่ในมือแล้วก็โปรยต่อหน้าท่านาบารีลมมันก็พัดไปท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถที่จะให้กระดูกที่ปนแล้วเนี่ยที่มันผุไปแล้วที่มันปนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือ โอ้โหเนี่ยพ่อะนบีสอนมาตลอดว่าตายล้วฟื้นนะตายแล้วมันจะตายเลยนะอะกีด้าแบบนี้พี่น้องครับครึ่งโลกเนะี่ยไม่เชื่อว่าตายล้วฟื้นนะใช่หไม่ใช่ใชใช อ, อัลลอฮ์ท่านภาษานี่สำคัญมากนะครับนี่ดูถูกนบีด้วยอลัลลอฮ์ก็ประทานอันกรุณา this ห s อ y a t this ะ s awalam yarol insa n u a n นา khulakna hu min n u a t i มุมบีแปลว่ามนุษย์ไม่คิดดูดอหรือเราได้บังเกิดเขามาจากเชื้ออาุจินี่เตือนให้รู้มนุษย์เนี่ยเราสร้างมาจากเชื้ออาุจิของผู้ชายกับผู้หญิงผสมกัน แล้วจงดูเถิดไฟซาฮัวคอซีมุลคอซีมแปลว่าชอบโต้เถียงชอบดันทุรังอัลลอฮ์สั่งอย่างงี้พูดอย่างงี้มันเถียงอัลลอฮ์เถียงยังไงเถียนุการปฏิบัติน่ะเอาก็ดูกที่ผลแล้วมามายืนอยู่ตอนอัล่านอบีแล้วก็โปรยมันก็ลอยไปตามอากาศนะก็บอกนี่น่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ท่านเนี่ยมีความสามารถหรือ คขาจะให้กระดูกปนแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถามต่อหน้านาบีอัลลอัฺนบีก็ตอบนะครับนบีก็บอกว่านามอลัลลอฮ์มีความสามารถเนี่ยอัลล์ก็นบีก็พูดเหมือนกับเตือนให้รู้นะอลัลลอฮ์จะให้คุณตายคุณไม่ใช่คุณตายเองนะคุณไม่มีสิทธ์ตายเอง啊นะ ถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ยตายเนี่ยใครก็ตายไม่ได้เรื่องที่สองนะครับซุมมายะบาสุกานีภาษานาบีนะแล้วก็จะให้คุณนี่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตายไปแล้วแล้วเรื่องที่สามสุมมายะชูรุกลาลันนารพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอ์ก็จะพาคุณไปลงนรกเฉพาะคุณนะ ทำไมพูดว่าคุณแอตี na, ้นะแอตี un, ้อัลลอฮ์แอตี้รอซูลแอตี้คำคพูดของนบีที่ผ่านวะฮีทั้งหมดนี่คุณไม่เชื่อหมดเลยฉะนั้นคุณนี่นะไม่ช้าคุณก็จะตายพอตายแล้วอัลลอฮจะให้คุณเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันเกียมาแล้วก็สุดท้ายก็จะพาคุณไปอยู่ร่วมกันกับคนแบบคุณนี่แหละอย่างนี้อยู่อีกทั่วโลกเนี่ยนะอีล น, น่าอยู่ในนรก แล้วคนที่ตกนรกภาษาอางาบเหรอก็ไปสวรรค์นนะนายดีกว่ากันแล้วก็ขอทุกอาต้อลออบนะบีสั่งให้ขออย่างน้นวันลสามครั้งนะอลล้อนร้อยตาให้ฉันไปสวรรค์ด้วยเถอให้ห่างไกลาจากไปนระกมุมินต้องขอทุกวันอ้อนรบบานาอัตินาฟิดดุนยาฮัสนะว่าฟิลอาครีรอยีฮัสนะวะคีนาอาซาบนาวักสุดท้ายเนี่ยนะวาคีนาอาซาบนา อัลลอฮ์จะให้ฉันปลอดภยัยจากไฟนรก้วยเถิดมุมินต้องขอทั่วโลกเชื่อนบีมดเลยอันอันอุอาบอดด่านอ่ายกันทุกคนตัลรังว่านิสัยของมนุษย์เดิมๆมันเป็นอย่างนี้แหละหนะหนึ่งดันทุรังไม่เชื่อต่อต้านอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์แล้วก็ด่าอัก็สอนเอกให้ว่าให้ลงมาบอกแล้วก็ด่อาอัลลอ์ก็ด่าอย่างนี้ ร้อนไปกบนหนาวไปกบนฝนตกมากน้อยกบลเองเล่านะนันนนกลังดาฉันอยู่นะว่าอนัดดารุฉันเนี่ยเป็นเจ้าของเวลาแล้วก็ตำาหนิฉันเองว่าฉันเนี่ยเหงาเอาเนบีอิสามาเป็นลูกทำเนี่ยมาเป็นภรรยานี่กาลังตำาหนิฉันย่างแรงเลยนะ แล้วเราก็เล่าผ่านกุณอาา่านตอนเราอ่านกุณอ่านด้วยความพิจารณาจะเห็นว่ามนุษย์นี่นะนบีอาดัมมาจากพ่อแม่มีไหมไม่มีเลยพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีอัลลอฮ์ให้อาอดัมมาคนแรกแล้วก็คนที่สองฮาวาเป็นภรยาของนบีอาดัมผ่านอะไรผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ทุกคนยอมรับหมด พอมาเจอเรื่องที่สามนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อครึ่งโลกว่นานบีอีสาเนี่ยเป็นลูกเอกรอไม่ใช่แล้วก็ดานางมารียามอีกนางพวกยอหูดีเนี่ยนางเป็นคนชู้นางเป็นคนเลวนี่เป็นนบีอิสราเนี่ยเป็นลูกไม่มีพ่อด่าเขานะ่ะแต่เอกรอเล่าว่าฉันสร้างมาเองผ่านแม่ก่นานนบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แล้วก็ โตเฮาวะมะเราคนแรกเนี่ยผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ดบเบิอ้อซ่าต้องการจะโชว์ความสามารถของอัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้ลืมหูลืมตานี่ยนะผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วพวกเราวันนี้ผ่านแม่นิกา้าไม่นิกา้าอีเรื่องนึ่งนะถ้ามีนิกา้าก็มีผละบุญถ้านิกา้ก า, กาไม่มีก็เองไปรับบาปต่อไปก็แล้วกันนี่ความรู้ที่ผ่านอิสลามผ่านอัลลอฮ์ผ่านยิบรีนผ่านมาลายิกา้า ผานบีมุฮัมมัดสุลลัลในอุบสัลังสง่างามครับพี่น้องเชื่อแบบนี้แหละมุสลิมเชื่อแบบนี้ทุกคนนะครับพี่น้องเอาวันนี้มาอายะที่เจ็ดสดว่าดารบะละนะมัสลาห์วะนัสยาขลก์กอละมัยยุฮิลัามะวะฮิรอมี وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قَالَ مِن يُحِيلَ ع ِ ظ ا م َ وَهِيَ رَمِيمَ اللَّهُ أ َ ك ْอายะนี้ก็อธิบายอัยะก่อนนั่นแหละโยมกันมาที่เอาเอากระดูกปนแล้วมาโปรยต่อหน้านบีแลถามนบี นี่คืต้องการจะอธิบายคนนี่เชื่อว่าตายแล้วมาฟื้นเลยเชื่อผิดนะเ <c oughs> พราเชื่อผิดแล้วก็นกุ่ณอานเล่านะว่าดอรอบาลานามาซาลันและเขาเหมือนถึงมนุษย์และเขาได้เปรียบเทียบดอร์บาแต่ว่าได้เปรียบเทียบอุปมาลานาแก่ฉันแกอัลลอฮฺ มาสารันเปนการอุปมาคือเมื่อเขาได้เปรียบเทียบอุปมาแก่เราว่าอัลลอฮฺเป็นอย่างนั้นอัลลอฮฺเป็นอย่างนี้อัลลอฮฺมีลูกอัลลอฮฺมีภรรยาอัลลอฮฺเหงาโอ้อัลลอฮฺมีมาลายิกาเป็นเป็นลูกลูกสาวอัลลอฮฺนี่ที่มนุษย์ใส่ร้ายหมดเลยนําโดยดโดยิฮูดินะําโดยยิฮูดิน่ะ แต่พี่น้องเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับประมาณ 80, 90, แปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าปตะพี่น้องก็เชื่อตามยะฮูดีหมดเลยเพราะยะฮูดีเนี่อิทธิพลเยอะมากเลยหลอ่ออาบุตรนี่ก็เป็นอเอาเล่าให้ฟังนะที่ฉันทําให้เป็นอย่างนี้นะให้คนได้แยะแยะให้คนได้แยะแยะไม่ใช่เชื่อกันง่ายๆนะมันต้องเชื่อต้องมีเหตุผลเพราะกุรานี่มันเป็นบูรธาน เนียุรานมนี้นะทุกอายะนะาณนะกระเพื่อคุราน6600เนี่ยเป็นบุรทานนะบุรทารนแปลว่าหลักฐานยืนยันเราจะเชื่ออะไรก็ตามต้องเชื่อด้วยหลักฐานเหตุผลไม่จะเชื่อโดยปัญญาอย่างเดียวนะนะและปัญญาเนี่ยมาจากใครอลัลลอฮ์ให้ปัญญามาต้องนึกตรงนี้ด้วยฤสกีใครให้อลัลลอฮ์ให้ลูกใครให้อลัลลอฮ์ให้อะความแข็งแรงเนี่ยใครให้อัลลอฮ์ให้อะ เงินอนโลก็ให้เราต้องปลูกฝังอี م ا ن นี่กุณอานทั้งหมดนี่แหละปลูกฝังเราให้เรายอมรับว่าอโลเนี่ยดูแลเราหลังจากตายก็ดูแลอีกตอนให้ฟื้นขึ้นก็ดูแลอีกกระดูกผงไปแล้วนะ่ยรวบรวมได้ไหมได้เลาสั่งปับ๊บก็รวบรวมมาเป็นกระดูกเหมือนเดิมมาเป็นคนเหมือนเดิมเนะี่ยทําได้หมดนั่นละเนี่ยเราต้องมีอกคดีไดแบบนี้เแื่อสบายใจนะครับ ว่ารอบาลานามาซาลันมะซาลันและเขามนุษย์นั้นจะเปรียบเทียบอุปมาแกเราว่าอัลลอฮฺเป็นอย่งงางนั้นอัลลอฮฺเป็นเช่นนั้นอัลลอฮฺเป็นเช่นนี้ก็ว่าไปเถอะผิดทั้งหมดได้ละว่นาซียาขอลกหูและเขานะซียาแปลว่าลืมนะซียาเนี่ยแปลว่าลืมอินซานเนี่ยมาจากศัพท์คำนี้แหละ นเสยาอินสันมนุษย์เนี่ยนิสัยชอบลืมลืมดีหรือไม่ดีอุลมะก็ว่าลืมดีนะถ้าจําทุกเรื่องนี่แย่นะรับไม่ไหวเราแต่งแต่หนุ่มๆมาเนี่ยอายุหกสิบเนี่ยจำทุกเรื่องเลยน่ะไม่ไหวเครียดถ้าเรื่องดีก็สบายใจถ้าเรื่องไม่ดีล่ะเครียดพี่น้องฉะนั้น นิสัยมนุษย์เนี่ยลืมไอ้ที่ลืมที่น่าเกลียดที่สุด ก, alla, กด็ลืมนึกถึงอัลลอฮ์ที่น่าเกลียดที่สุดนื่ลืมนึกถึงอัลลอฮ์ลืมนมาแล้วก็ตามใจตัวเองเท่ากับตามใจใครไชต้อนใครที่ตามทำตามใจตัวเองเรียกว่าทําตามไชต้อนวัดอิทิพลไชต้อนเนี่อัลลอฮ์ละลายนะครับพี่คานคนลุก เอาต่อมาครับวาณซียค์คอลโกและเขาได้ลืมกําเนิดค้อคุณแต่ว่ากําเนิดของเขาเองลืมตัวอามนุษย์มาจากไหนมาจากน้ําอาสุจิอย่าลืมนี่มันลืมอ่ะพอมีเงินหน่อยลืมมีชื่อเสียงหน่อยลืมมีตําแหน่งหน่อยลืมอ๋อมีเงินหน่อยลืม นี่พอลืมปั๊บเนี่นะชีวิตพังหมดเลยนะแต่อัลลอ์ให้บนดุลยานี้นะให้กับคนกาเฟนะเอ็งยิ่งลืมอัลลอ์ยิ่งให้รวยเอ็งยิ่งลืมอัลลอฮ์ยิ่งให้นูนให้นี้สิ่งที่เขาจะให้บ uh ุสิ่งที่เขาพอใจสินเาพอใจก็อัลลอ์ให้หมดเลยนะคุณอานอะไหนัา ม, มานสูมาซุกีรูฟตัฮนะอะไลฮมอับวาบะุลลชัย ห a t t ์ i ิจาร์ฟารีเขาเป็นมาอุตุอาบตมนีกวนคนกาเฟ่เนี่ยเวลาเขาไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลล์ให้บนดุนยาเนี่ยให้สิ่งที่เขาชอบหมดเลยน้องอย่าลืมนะพอให้สิ่งที่เขาชอบแล้วเป็นไงก็ออตามมา การรงานเะย่อหยิ่งจองของทรยศตามมาไม่รู้สึกตัวครับเรื่องที่สองกอฟก๊อฟลเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่ใจใครไม่รู้จักผู้บังเกิดตัวเองด้วยเนี่ยกอฟลตามมาเรื่องที่สามอาดาบตามมาการลงโทษตามมาตามมาแบบอิสติโดรยันตามมาแบบค่อยคยค่อยคอย่คอยให้ค่อยๆให้สู่ความหายแล้วนะ อ่ะแบบใครแบบฟาโรฟิโรน่ะรอดไหมละ่ะเป็นอะไรคิ้งอ่ะมีพระราชวังใช่ไหมแล้วก็มีทาหารเท่าไหร่สา0ห้าันคนดูแลคนคนเดียวดูแลครอบครัวฟาโรคนเดียวอ่ะแล้วไปรอดไหมละ่ะตำแหน่งให้มาเพื่อความหลงเงินให้มาเพื่อความหลงแต่ไม่รู้สึกตัวอ่ะแต่เป็นไงล่ะเราก็ต่อมานะครับ อัลลอฮเนี่ยอัจจลละลาลาหุมเนี่ยคนคาเฟ่นะอัลลอฮฺรีบให้เขาอยากได้อะไรเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปเพราะว่าหลังตายไม่ได้แล้วฉะนั้นได้บนดุนยาแบนี้อยากอะไรเอาไปเลยแล้วมันอร่อยด้วยนะได้เงินมาไปกินอาหารเช้าที่ฮ่องกงพอตอนเที่ยงเที่ยงไปทำเซนาที่นั่งถึงบินมาเนี่ยนะมันลองที่ทสุสนิงคโปร์ เราก็กินอาหารกันคืนที่กรุงเทพที่บาร์ตรงเนี้ยนี่ชีวิตของอยู่แบบเนี้อ่ะเราฆ่าคนนั้นดา่าคนนี้สนุกครับไลซาลาฮุมฟิลอาโซตอิลลานาดพอตายไปแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในนรกเรากลัวนะพี่น้องแต่เลาไม่ให้เห็นนะแต่เล่าให้ฟังเนี่ยเราต้องอ่านคุณอานเพราะอ่านคุณอ่าน ส, าสุรยาซีนอัลลอฮ์บัลลอฮ์ทำให้เราเรีนึกถึงความความกลัวนะมันก็จะตามมาเอาต่อมากับ ก็เล่าไม ي ยุฮิยิอย <ام> และเขากล่าวว่ามันผู้ใดยุฮยีให้มีชีวิตขึ้นอ้ายยายุฮยีแปลว่าผู้ใดให้มีชีวิตขึ้นให้มีชีวิตอิย้อมอิย้อมแปลว่ากระดูกในทับซียอธิบายว่ากระดูกของมนุษย์เนี่ยสกปกตอฮิร์ดวานาจิส แต่ส่วนใหญ่อุลามะบอกว่าต่อเหตุนาะครับว่าฮิยารรมิงเมื่อมันผุ ป, ปนไปแล้วเนี่ยที่เมือเ่อ ก, กี้ใช่ไหมวาอิลหรืออุบายยุบเคลัฟใช่ไหมสองคนเนี่ยคนหนึ่งคนใดก็ได้มายืนเอาก็ดูมาโปรที่เป็นผงแล้วต่อหน้านาบีถามว่าอัลลอ์ท่านน่ะมีความสามารถที่จะให้ กระดูกที่ปนแล้วเนี่ยกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งกันนั้นหรือถามนาบีแบบดานาบีนั่นแหละเรีบ่าใช่น้ำคุณไม่ชาคุณเองจะต้องตายตายแล้วอลัลลอ์ให้คุณฟืน้นพงสุดท้ายอลัลลอ์จะพาคุณไปฟิลิลิลนานอดนี่ภาษาของนบีทั้งหมดน่ะอูร้รอยเยอะวันนี้ก็เหมือนกันคนจานวนเท่าไราที่ไม่เชื่ อ, อว่าตายแล้วตายเลย อ๋อถามเขว่ามนุษย์เนี่ยเกิดกี่ครั้งแล้วก็ตายกี่ครั้งคนอ่านกุูอ่านต้องรู้ว่าตายกี่ครั้งนะสองเกิดสองสบายใจไหมแล้วก็คนที่ไม่เชื่อว่าเพื่พูดกี่ครั้งเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวผมไปปากไปยูนกถามนักเรียนตอบเหมือนกันที่ไทยนายก็ะตอบคล้ายๆกันนะักกูเทพกว่าเหมือนกันอะ ก็แกล้งถามว่าตายกี่ครั้งเกิดกี่ครัง้งครั้งเดียวค่ะอัลอลร์ทักบานไปเลยไม่เป็นไรทีพวกท้าบก็ลืมเหมือนนะทีตัวครูก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้นะนะคุณอ่านอายาไหนสุราบบกราอายาที่ยี่สิบแปดไกฟะตักฟูรูนบิลลาอิวะคุนตุมอัมวาตา ฟ้า حيا คุ้มซุ่มยุมิทุคุ้มซุ่มยุ حي คุ้มซุ่มอิเลหิตุรจงนี่อาันานี้สรุระบักกอร์คุณจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงอัลลอฮ์เนี่ย <c oughs> ให้คุณมีให้คุณตายก่อน <c oughs> แล้วก็ให้คุณมีชีวิตเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีชีวิตอยู่นะ <c oughs> แล้วไม่ช้าก็ให้คุณตาย <c oughs> แล้วก็ไม่ช้าก็ให้คุณฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็พาคุณไปพบกับอัลลอฮ์ผู้พันธุ์ละไปพบทำไมรู้ไหมไปรับรางวไปรับรางวัลที่คุณเป็นมุมลินก็ได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเราต้องเชื่อแบบนี้ไอ้ความเชื่อเป็นลงทุนเท่าไหร่เพียงอ่านกุณอานอย่างเดียวละเชื่อตามนบีสบายไหมหัมดุลิลเล่เอาต่อมากับในตับเสื นะครับอิบนาคเซดในหลายๆเล่มพี่น้องกับเ้าเรียกับาอิมังบุคฮารีคิตา บ, บุลอัมบียะอาธิบายอย่างนี้บอกว่าอัลลอฮ์นี่นสร้างมนุษย์มาจากน้ำอสุจิหัติรน้ำอสุจิที่ไร้ค่านี่ความสามารถของอัลลอฮ์ที่เราพูดยังไปยังมาตรงนี้เนี่ยนะมนุษย์ถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิที่ไร้ค่า แล้วก็ในวันเกียร์มาทิกฟื้นมาเราตายแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความจากน้ำอสูจิเนี่ยฉันยังทำให้เป็นมนุษย์ได้เป็นคนได้แล้วก็เดินได้มีสติปัญญาสมองเนี่ยุณยังไม่คิดถึงอลัลลอฮ์ก็นังอยู่ อ, ล อ, อลัลลอฮ์ทำโดยเดี๋ิลล า, าต่อมาครับอายาที่79 قل يحيها ي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي م